นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูชัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูชัสสะสุรุดะสังสุนิปุนัง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 เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไกลตัวแต่จริงๆแล้วธรรมะที่ทรงแสดงทั้งหมดก็ทรงถอดออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระองค์เองเมื่อธรรมที่ทรงแสดงนั้นออกจากใจสิ่งที่รองรับธรรมนั้นก็ไม่ใช่อื่นใดก็คือจิตใจของเราท่านๆนั่นเองฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเราท่านมากที่สุดเมื่อกล่าวถึงธรรม ก็จึงอยากให้ท่านทั้งหลายอย่าได้มองหรือเข้าใจไปในที่อื่นใดนอกจากมองย้อนไปดูที่ใจของตนของตนเปรียบเหมือนนายพรานผู้ต้องการด้วยเนื้อจึงเข้าสู่ป่าฉันใดผู้ต้องการด้วยธรรมพึงย้อนตนเข้าสู่ใจแล้วทำการศึกษาฉันนั้นอันหนึ่งการทางานของใจหรือจิตนั้นมีอยู่4อย่างด้วยกันนั่นก็คือรับจําคิดรู้ซึ่งอารมณ์ต่างๆจากที่กล่าว เราจะเห็นได้ว่าสิ่งเดียวที่ใจนั้นทำงานด้วยก็คืออารมณ์ถ้าจะยกตัวอย่างเพื่อเทียบเคียงให้พอเข้าใจได้ง่ายขึ้นสักเล็กน้อยก็เปรียบเหมือนกับการที่เรานั้นรับประทานอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายก็จะถูกย่อยสลายสู่หน่วยที่เล็กที่สุดคือสารอาหารที่ร่างกายจะดูดซึมและนำไปใช้ถ้าร่างกายได้อาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารนั้น ก็จะถูกย่อยสลายไปเป็นสารอาหารที่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าอาหารนั้นเกิดเสียหรือบูดเน่าอาหารนั้นก็จะถูกย่อยสลายไปเป็นสารอาหารเช่นกันแต่เป็นพิษต่อร่างกายฉันใดการกระทําคําพูดและสิ่งที่คิดต่างๆที่มาจากเราเองก็ดีมาจากผู้อื่นก็ดีนั้นจะถูกย่อยไปสู่หน่วยที่เล็กที่สุดคืออารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในใจฉันนั้นเช่น เราได้ดูหนังที่ชอบการดูนี้ก็จะถูกย่อยไปเป็นอารมณ์สนุกสนานเรื่อเริงที่เกิดขึ้นในใจผลที่ตามมาก็คือความสุขใจหรือได้ยินคนพูดตาหนิเราหรือตาหนิคนที่เรารู้จักการฟังนี้ก็จะถูกย่อยไปเป็นอารมณ์ขุนเคืองไม่พอใจหรือกโกรธที่เกิดขึ้นในใจผลที่ตามมาก็คือความทุกข์ใจนี่ก็เปรียบสิ่งต่างๆที่เราได้ทำพูดคิด ผ่านเครื่องมือต่างๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเหมือนอาหารที่เรารับประทานไปแล้วส่วนอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็เปรียบได้กับสารอาหารที่ถูกร่างกายนั้นดูดซึมไปใช้และผลที่เกิดขึ้นทั้งไม่ดีและดีต่อร่างกายนั้นก็เปรียบได้กับความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ต่างๆที่ใจนั้นได้สวยไปสรุปให้เข้าใจง่ายก็คือ ไม่ว่าเราจะทำอะไรอะไรก็ดีจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจผลที่ได้ล้วนแล้วไปปรากฏเป็นความทุกข์ความสุขและความไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นในใจของเราเท่านั้นจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของใจมีใจเป็นภาชนะรองรับการศึกษาธรรมก็ศึกษาลงที่ใจผลที่ได้ก็จะปรากฏขึ้นที่ใจ ส่วนผลของธรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความทุกข์ที่มีอยู่แล้วในใจนั้นลดลงและความทุกข์ของใจที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดทําให้ใจนั้นเบาสบายปลอดโปร่งไม่หนักคนที่มีทุกข์ใจนั้นโบราณท่านเปรียบไว้เหมือนคนที่แบกโลกทั้งโลกเอาไว้ความที่เราไม่มีทุกข์ในใจนั้นก็เหมือนเราได้วางโลกที่หนักแสนหนักทิ้งไปเสียได้ ความเบาความสบายจึงปรากฏหรือจะพูดว่ามีความสุขเกิดขึ้นที่ได้จากการวางของหนักเสียได้ก็ไม่น่าจะผิดอะไรเมื่อพูดถึงความทุกข์แล้วเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์กันสักหน่อยจะให้เข้าใจได้ง่ายก็จึงจะขอแยกทุกข์ออกไปสองแบบคือทุกข์กายหนึ่งทุกข์ใจหนึ่งสิ่งเหล่านี้มีปวดหัวปวดท้องปวดฟันเป็นแผลเป็นต้นนั้น จัดเป็นทุกประเภททางกายส่วนความแห่งใจความร่ําไรรําพันความพลัดพรากจากสิ่งรักความขุ่นเคืองความท้อความเศร้าความเหงาเป็นต้นเหล่านี้จัดอยู่ในประเภททุกทางใจโดยธรรมดาแล้วทุกทางกายนั้นก็นําไปสู่ทุกข์ทางใจด้วยเช่นกันเหมือนการที่เรานั่งนานๆก็จะปวดขาปวดเอวพอเรารู้สึกว่าปวด ความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจเราไม่ชอบในความปวดฉะนั้นทุกกายจึงเป็นเหตุให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นอยู่เนืองๆแล้วสิ่งที่เราเราได้ทําเพื่อที่จะแก้ทุกข์ใจก็คือเลือกที่จะแก้ทุกข์ทางกายก่อนโดยการที่เราขยับเปลี่ยนอริยาบทเพื่อทาให้ทุกข์ทางกายนั้นน้อยลงหรือหายไป เมื่อทุกทางกายบรรเทาหรือหายไปทุกทางใจก็บรรเทาหรือหายไปด้วยเช่นกันในทำนองเดียวกับความทุกข์ความสุขก็เช่นเดียวกันคือแบ่งได้เป็นความสุขทางกายและความสุขทางใจความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความสุขทางกายและทางใจนั้นก็เช่นเดียวกับความทุกข์ที่กล่าวมาแล้วแตกต่างกันตรงที่ทุกเราแก้ให้น้อยลงแต่ความสุขเราพยายามแสวงหาให้มากขึ้น เช่นตอนเรารับประทานอาหารความสุขทางกายก็เกิดเพราะร่างกายอิ่มไม่หิวส่วนความสุขทางใจเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นเป็นอาหารที่เราพอใจแต่ถ้าอาหารนั้นเราไม่ถูกใจทุกข์ทางใจก็เกิดแทนที่นี่แสดงให้เราได้เห็นถึงว่าความสุขความทุกข์ทางกายกับทางใจนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นอันเดียวกันแยกกันได้เป็นส่วนเป็นส่วน จากตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นได้สองกรณีคือกรณีที่1่ถ้าสุขใจเกิดขึ้นหลังจากอิ่มแล้วระดับความสุขที่ได้จากอาหารนั้นก็ลดลงน้อยลงจนเฉยๆหลังจากความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นใจก็จะเกิดความอยากสุขขึ้นมาแทนที่ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องแสวงหาสิ่งอื่นอย่างอื่นเพื่อจะให้ความสุขใจนั้นเกิดขึ้นอีกกรณีที่สอง อาหารที่รับประทานนั้นเราไม่ชอบความไม่พอใจจึงเกิดขึ้นหรือเรียกว่าทุกข์ใจเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องแสวงหาสิ่งอื่นอย่างอื่นเพื่อจะให้ความสุขใจนั้นเกิดขึ้นมาแทนฉะนั้นความสุขและความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นกับเราอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทาให้เกิดบุคคลอยู่สองจพวก จำพวกแรกคือเมื่อความสุขเกิดขึ้นก็เพลิดเพลินยินดีพยายามรักษาความสุขนั้นไว้แล้วหาความสุขอันใหม่มาเพิ่มอีกเมื่อมีความทุกข์ก็พยายามหาสิ่งที่เป็นความสุขมาบทบังหรือทดแทนเมื่อมีความเห็นอย่างนี้จึงต้องพยายามแสวงหาสิ่งต่างๆอยู่ไม่จบสิน้นส่วนบุคคลอีกจำพวกคือเห็นว่าการที่เราแสวงหาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาคอยกลบความทุกข์ เติมเต็มความสุขทางใจนั้นบางครั้งหาได้บ้างบางครั้งก็หาไม่ได้บ้างเวลาที่หาได้ความสุขนั้นก็ไม่ยั่งยืนหมดแล้วก็ต้องหาใหม่เวลาที่หาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกการแสวงหานั้นเป็นเหตุของทุกข์เช่นกันเพราะต้องหาอยู่อย่างนี้ไม่จบสิน้นเหมือนกับการเทน้ำลงบนพื้นทราย เมื่อเห็นอย่างนี้จึงเข้าใจว่าความทุกข์ใจที่มีเหตุเป็นเพราะใจนั้นเป็นโรคคือไม่อิ่มไม่พอนั่นเองที่ผ่านมาเราพยายามแก้ทุกข์ใจด้วยสิ่งต่างๆจากภายนอกที่เราพอจะหาได้แต่ความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นแค่การบรรเทาทุกข์ทางใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้เลยอยากระนั้นเลยโรคทางใจก็ต้องแก้ลงที่ใจจึงจะแก้ได้ถูกจุด แต่ก่อนจะศึกษาวิธีแก้ทุกทางใจนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับใจสักเล็กน้อยก่อนคนเรานั้นประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจลักษณะของร่างกายที่มีสุขภาพดีนั้นก็แสดงออกมาให้เห็นก็คือร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณผ่องใสมีน้ํามีนวลเป็นต้นส่วนลักษณะสุขภาพของร่างกายที่ไม่ดีก็มีสูบผอม ผิวพรรณไม่ผุดผ่องเป็นต้นที่แสดงออกมาให้พอสังเกตเห็นใจก็เช่นเดียวกันลักษณะของใจที่มีสุขภาพที่ดีนั้นก็แสดงออกให้ทราบได้โดยอาการของใจคือผ่องใสเชื่มชื่นปลอดปโปรง่งเบาสบายเบิกบานเป็นต้นแต่ถ้ามีอาการขุนมัวเศร้าหมองไม่ปลอดปโปรง่งกระสับกระส่ายร้อนรนเป็นต้นเหล่านี้แสดงถึงสุขภาพของใจที่ไม่ดี แล้วพวกญาติโยมทั้งหลายละ่ะลองสำรวจสุขภาพใจของท่านดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้สุขภาพใจของท่านท่านนั้นเป็นอย่างไรเราท่านทั้งหลายดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่เล็กจนโตอย่างดีเรื่อยมาแล้วสุขภาพใจของเราท่านทั้งหลายละ่ะเราหมั่นดูแลรักษากันมากขนาดไหนร่างกายก็มีข้าวมีน้ำเป็นอาหารส่วนใจก็ต้องการอาหารเช่นกัน แล้วอาหารของใจก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่ใจจะเสวยได้ผ่านเครื่องมือคือตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดนึกปรุงแต่งแต่เราไม่เคยที่จะได้คัดกรองอาหารให้ใจกันเลยว่าอันไหนจะดีต่อสุขภาพของใจบางท่านก็อาจจะมีความคิดที่ว่าเราก็เลือกเฟ้นอยู่ตลอดทุกขณะเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่ชอบให้กับใจก็ขอแก้ว่า ของที่เราถูกใจก็ไม่จําเป็นต้องดีต่อสุขภาพเสมอไปยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคเบาหวานก็ต้องงดการทานอาหารที่มีน้ําตาลมากๆแต่ส่วนมากคนเป็นโรคเบาหวานก็ชอบทานอาหารรสหวานด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ชอบที่จะไปทานอาหารหวานๆอยู่เรื่อยๆใจก็เช่นเดียวกันอาหารที่เหมาะและดีต่อสุขภาพของใจ ถึงแม้เป็นอะไรที่เรายังไม่คุ้นชินหรือยังไม่รู้สึกชอบแต่เพื่อสุขภาพแล้วก็ต้องฝืนก่อนแล้วอาหารใจอย่างไหนถึงจะดีต่อสุขภาพอาหารใจที่ดีต้องทำให้ใจมีลักษณะอาการหลังสวยอารมณ์นั้นไปแล้วจะเป็นใจที่สงบเบาปลอดโปรง่งผ่องใสไม่ขุ่นมัวแต่ที่อยากจะเน้นและเป็นอาการที่สาคัญที่สุดคือความสงบของใจ เพราะเมื่อความสงบปรากฏขึ้นแล้วโรคของใจคือความไม่อิ่มไม่พอหรือจะเรียกอีกอย่างว่าความดิ้นรนทยานอยากนั้นก็ได้รับการแก้ไขไปด้วยพระพุทธองค์ก็ทรงให้แนวทางไว้กับการให้อาหารใจอยู่ถึง40แบบแต่ก็จะขอเสนอแค่แบบเดียวเท่านั้นซึ่งก็พอต่อการที่จะทำให้ใจได้รับอาหารที่ดี และเพียงพอที่จะแก้โรคใจได้วิธีที่ว่าก็คือการดูลมหายใจของเราเองได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าไม่ว่าจะเป็นการทาการพูดหรือการคิดเหล่านี้ล้วนจะถูกย่อยไปเป็นอารมณ์หรือก็คืออาหารสำหรับใจนั่นเองการหายใจก็เช่นเดียวกันก็จะถูกย่อยไปเป็นอารมณ์ของใจโดยที่มีคุณสมบัติของอารมณ์ดังนี้คือ 1. ไม่ค่อนไปทางสุขหรือทางทุกข์เป็นอารมณ์กลางกลา ง, งเมื่อใจเสวยอารมณ์นี้ไปนานๆก็จะทำให้เป็นใจที่เบาสบายปลอดโป ร, โรง่งและที่สำคัญที่สุดคือสงบประงับจากความทยานอยากในอารมณ์ทั้งหลายใจจะโดนปรับสภาพให้มาอยู่ในสภาพที่ปกติเดิมที่เป็นกลางๆเมื่อเรา ให้ใจของเราอยู่กับลมหายใจได้อย่างเรื่อยๆ อ, อย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นใจของเราว่ามีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วคือสงบสบายมีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่เป็นกลางๆของการหายใจซึ่งใจแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นใจที่มีสมาธิคือเป็นใจที่ตั้งมั่นในอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวเมื่อพูดถึงสมาธิก็จะขอเสริมความเข้าใจเรื่องของสมาธิสักหน่อย ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่พูดถึงสมาธิเราก็นึกถึงการนั่งหลับตาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยคือตาไม่เห็นเสียงไม่ได้ยินไม่รู้สึกว่ามีร่างกายอยู่ซึ่งการเข้าใจในลักษณะนี้เป็นการเข้าใจเพียงแง่เดียวยังไม่รอบด้านซึ่งการเป็นสมาธิอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีเป็นสมาธิที่ดีเพียงแต่สมาธิที่ ไม่รับรู้อะไรนั้นไม่สามารถนำไปใช้ในการแก้ทุกข์ได้สมาธิที่ตาสามารถมองเห็นหูสามารถได้ยินจมูกสามารถรับกลิ่นลิ้นสามารถรับรสกายสามารถรับสัมผัสและยังคิดนึกปรุงแต่งได้นั้นจึงจะนำไปใช้แก้ทุกข์ได้เพราะสมาธินั้นแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่าความตั้งมั่นของใจ หมายถึงใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างๆที่ได้จากการเห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสรับสัมผัสหรือคิดนึกเรื่องใดๆสมาธินั้นเป็นเรื่องของใจล้วนๆฉะนั้นสมาธิจริงๆก็ไม่ได้เกิดที่ไหนไกลนอกจากที่ใจเท่านั้นเองส่วนวิธีการทำสมาธิก็ไม่ใช่ของแปลกใหม่อะไรเราเราท่านๆ่าน ก็ได้ยินได้ฟังกันมาอยู่ตลอดคือมีสติเห็นลมหายใจขอให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตลมหายใจดูว่าเรานั้นเห็นลมหายใจที่กระทบกับจมูกของเรานั้นชัดที่สุดตรงไหนต้นจมูกกลางจมูกหรือปลายจมูกเมื่อเห็นลมชัดแล้วก็ให้ตั้งสติไว้ที่ตรงจุดนั้นจุดที่เห็นลมชัดที่สุด ไม่ต้องตามลมเข้าหรือตามลมออกแค่เฝ้าดูรู้ลมที่กระทบจมูกของเราที่จุดที่ชัดที่สุดเป็นพอและที่สําคัญมากคือไม่บังคับลมหายใจปกติแล้วถึงเราไม่สังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเราเพียงแค่มาเฝ้าดูลมที่เข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติของเขา เห็นลมแล้วใจก็เผลอไปนึกคิดก็ไม่ต้องส่งใจตามความคิดเหล่านั้นไปทำใจสบายๆแล้วก็ดึงใจกลับมาเฝ้าดูลมเหมือนเดิมที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือระวังความอยากของเราเองให้เฝ้าดูลมไปเรื่อยๆโดยใจเป็นกลางๆถ้ามีความอยากเจือปนหรือเอาความอยากนำหน้าใจจะไม่ได้อยู่กับลมหายใจใจจะไปอยู่กับความอยากแทน ซึ่งส่งผลให้ใจไม่เป็นสมาธิใจก็จะมีความดิ้นรนทยานอยากเกิดขึ้นซึ่งความอยากนี้เป็นเชื้อให้เกิดอารมณ์ที่เป็นพิษของใจเพราะฉะนั้นต้องทำโดยระวังความอยากไม่ให้เกิดขึ้นส่วนใจจะเผลอไปทางความคิดไปได้ยินเสียงไปรู้ว่านี่เป็นร่างกายส่วนไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องส่งใจตามไป ดึงใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจเท่านั้นสรุปวิธีทำสมาธิสั้นๆก็คือ 1. ตั้งใจดูลม 2. อ, อะไรที่ไม่ใช่ลมก็ไม่ใส่ใจเมื่อทำไปจนใจมีอารมณ์เดียวตั้งมั่นแล้วก็ฝึกทำให้ชำนาญจึงจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันสมาธินั้นดีอย่างไรในชีวิตประจําวันนี่เป็นคำถามที่อยากให้ญาติโยมทั้งหลายลองตอบกับตัวเองดู แต่ก็อย่าลืมว่าเรากําลังพูดในประเด็นแก้ทุกข์ใจกันอยู่คำตอบในชั้นต้นก็ขอตอบว่าเมื่อเรามีสมาธิคือใจเราตั้งมั่นกับลมหายใจได้แล้วใจเราก็จะมีอารมณ์เดียวที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นก็จะเป็นตัวกรองอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาที่ใจของเราผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดนึก นั่นก็หมายความว่าเราก็จะทาการงานหรือใช้ชีวิตไปได้แบบปกติโดยที่ใจเราตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวคืออารมณ์สงบเบาสบายปลอดปโปรง่งนี่เป็นประโยชน์ในชั้นต้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนที่เป็นโรคแล้วอาการทุเราจนเหมือนเป็นปกติแต่ก็ยังมีเชื้อโรคที่คอยจะกำเริบได้ตลอดเวลาถ้าร่างกายนั้นอ่อนแอ การที่ใจสงบสบายมีสุขภาพที่ดีนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถกลับไปป่วยได้อีกเพราะเชื้อโรคของใจหรือจะเรียกให้เป็นที่คุ้นหูก็คือกิเลสมีราคะโทสะโมหะโลภะเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไปจากใจฉะนั้นเมื่อใดที่ใจเราอ่อนแอลงกิเลสเหล่านี้ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่แสดงพลังอานาจออกมา ทำให้ใจเรากลับไปเป็นโรคใจได้อยู่ตลอดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเมื่อสุขภาพของใจเราดีขึ้นแล้วก็ต้องสืบเสาะค้นหาต้นตอของโรคให้พบวิธีค้นหาก็ไม่ได้ทำอะไรมากขึ้นไปกว่าการเฝ้าสังเกตลมหายใจของเราแล้วก็คอยสังเกตอาการของใจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ค่อยสาวไปหาเหตุว่าเหตุอะไรที่ทำให้ใจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากปกติเดิมที่สงบสบายยกตัวอย่างคงพอทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นขณะที่ใจเราสงบสบายอยู่นั้นเกิดได้ยินคำพูดที่ทำให้เราขุนเคืองไม่พอใจมากระทบแล้วใจที่สงบสบายของเราก็เปลี่ยนไปเป็นขุนเคืองเมื่อความขุนเคืองเกิดขึ้นก็ทำเช่นเดียวกับที่เราฝึกดูลมหายใจคือ ไม่สนใจไปตามเสียงพยายามให้ใจตั้งมั่นอยู่ที่ลมส่วนที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือต้องไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นในกรณีนี้ก็คืออยากให้ที่ขุนเคืองนั้นดับไปหายไปความขุนเคืองคือทุกข์ในใจพระพุทธองค์ส่งให้งานเราทำเพียงแค่กำหนดรู้ว่ามันเป็นของมีอยู่เท่านั้น อยากให้ความขุ่นเคืองนั้นหายไปหรือดับไปนี้เป็นอีกสิ่งที่พระองค์ท่านสอนให้ละวางเพราะตัณหาคือความทยานอยากนี้เป็นเหตุของทุกข์ที่จะซ้ำเติมเราแค่ทุกข์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าขณะนี้ก็หนักแล้วอย่าไปเพิ่มเหตุของทุกข์อันใหม่เลยทำได้ดังนี้ใจที่ขุ่นเคืองก็จะค่อยๆกลับมาเป็นปกติเดิมคือสงบสบาย ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ใจเราเคลื่อนออกจากความสงบนี้เราก็ปฏิบัติต่ออารมณ์เหล่านั้นที่มาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความคิดนึกปรุงแต่งอยู่เช่นนี้เมื่อใจสงบสบายแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสรุปเป็นเบื้องต้นจากบทเรียนของอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็คือ ใจที่เปลี่ยนแปลไปจากเดิมนั้นมาจากรูปที่ดูเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสสัมผัสที่ได้รับและความคิดนึกปรุงแต่งผลที่ได้เราก็จึงรักษาใจที่สงบสบายนั้นจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดคำถามที่อยากจะถามตอนนี้ก็คือเมื่อเรารักษาอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งใดก็ตามที่มากระทบกระเทือนสิ่งที่เรารักษาอยู่นั้นเราก็จะมองว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีมองเป็นค่าสึกใช่หรือไม่ถ้าใช่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะรักษาใจของเราเองแล้วมองเห็นค่าสึกของใจเราแต่ถ้าท่านหยุดอยู่เพียงแค่นี้ก็ขอบอกว่าน่าเสียดายเพราะถ้าหยุดอยู่เพียงแค่นี้สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือ เราจะมองสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่เราเข้าไปเกี่ยวพันด้วยนั้นมองเขาเป็นค่าสึกของใจไปหมดเมื่อเป็นอย่างนี้ความขุ่นเคืองความไม่พอใจก็จะเกิดมีต่อคนสัตว์สิ่งของรอบข้างอยู่ตลอดเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเหตุกระทบกระเทือนความสงบของใจแล้วทำให้รู้สึกท้อต่อการที่จะดูลมเพื่อรักษาใจ ให้เป็นใจที่ปกติสงบจะเห็นเพียงแต่ทุกข์ที่ถาโถมอยู่รอบด้านโดยเราไม่มีเวลาพักใจเลยเราก็จะมองเห็นแต่โทษของคนอื่นสิ่งอื่นทำไมเขาไม่หัดทำตัวให้ดีทำไมเขาไม่พูดให้มีเหตุผลกว่านี้ทำไมเขาไม่หัดขัดเกลาตัวเองเลยนะความคิดความเห็นที่ยกมาข้างต้นนี้เมื่อมากขึ้นมากขึ้น ก็จะทำให้เรากลายไปเป็นคนมีนิสัยเพ่งแต่โทษของคนอื่นซึ่งนี้ก็เป็นผลของการที่เราหยุดพิจารณาอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกการที่เราเพ่งโทษใครๆก็ตามนั่นก็เป็นเหตุให้ใจเราขัดข้องขุ่นเคืองเกิดอารมณ์เป็นพิษกระจยจริงๆแล้ว ถ้าเรามองให้เป็นไปตามความเป็นจริงมากขึ้นอีกสักนิดเราก็จะเห็นถึงความเท่าเทียมกันของสิ่งต่างๆภายนอกยกตัวอย่างเช่นเ <het> พื่อนเราพูดชมเราเราก็เกิดความรู้สึกพอใจแต่พอเขาด่าเราเราก็รู้สึกไม่พอใจถ้าเรามองให้เป็นไปตามจริงมากขึ้นคำชมกับคำด่านั้นรากของทั้งสองก็เป็นสิ่งเดียวกันคือลมที่ออกจากปาก เพียงแต่ความสำคัญของใจเราเองว่าถ้าพูดอย่างนี้เราชอบถ้าพูดอย่างนี้ใจเราไม่ชอบพอใจเรามีชอบกับไม่ชอบลมที่ออกจากปากมาเหมือนกันจึงมีค่าต่อใจเราไม่เท่ากันคนสองคนคนหนึ่งเราไม่ชอบอีกคนหนึ่งเราชอบพูดแบบเดียวกันประโยคเดียวกันใจเราก็ไม่เหมือนกันเพราะคนที่เราไม่ชอบเราก็อาจจะมีความคิดที่ว่า เขาพูดดีเพื่อประชดเราหรือทําดีต่อหน้าแต่รับหลังทําอีกอย่างซึ่งจริงๆแล้วคนสองคนก็เท่ากันตรงที่เขาเป็นคนหรือมองให้ลึกอีกชั้นหนึ่งคนสองคนก็เท่ากันตรงที่เป็นแหล่งประชุมกันของธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมเท่านั้นแม้กระทั่งที่เราว่านี้คือเราก็ตาม เมื่อลองพิจารณาให้ดีว่าที่ว่าเรานั้นอะไรบ้างที่เป็นเราเราลองมาพิจารณาความจริงถึงสิ่งที่ว่าเป็นเรากันดูสักหน่อยเริ่มจากที่เราเห็นและคุ้นกันดีก็มีด้วยกันห้าอย่างห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างห้าอย่างนั้นได้แก่ผมขนเล็บฝันหนังใจคนเรานั้นสําคัญ ถึงห้าอย่างนี้อย่างหนักแน่นฝังลึกว่านี่คือเราจริงๆแล้วมันเป็นเราเป็นของเราจริงๆหรือผมคนเรานั้นเมื่อเราไม่สะไม่ทำความสะอาดมันจะเป็นอย่างไรผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนมันก็มีแต่ความสกรปรกรกรุงรังเราสั่งมันได้ไหมว่าเจ้าจงสะอาดเจ้าจงอยู่คงตัวอยู่อย่างนี้ผม เจ้าจงอย่าเปลี่ยนเป็นสีขาวเจ้าจงดำอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะความเป็นจริงมันไม่สามารถเป็นไปได้เลยเมื่อมันเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเราแต่นี่เปล่าเลยมันก็ดำเนินสภาพของมันไปเฉกเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆภายนอกนั่นแหละนี่คือผมขนเล็บฟันก็เช่นเดียวกัน ส่วนหนังก็จะขออธิบายมากขึ้นสักหน่อยเพราะคนเราหลงมากที่สุดก็คือหนังนี่แหละเพียงแค่หนังบางๆผืนหนึ่งที่ห่อหุ้มที่เรียกว่าร่างกายไว้นั้นทำให้ชีวิตคนเราวุ่นวี่วุ่นวายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไรความรักใคร่ยินดีรักปานจะเกลือนกินก็รักกันแค่หนังเท่านั้นลองคนที่เราชอบที่เรารักนั้น เป็นโรคผิวหนังทั้งตัวมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลยเยิม้มลองถามตัวเองดูว่าเราจะรักอยู่หรือเปล่ายังจะรักเท่าเดิมอยู่ไหมเพียงแค่นี้ก็พอจะเห็นถึงความหลงเข้าใจผิดสำคัญผิดของเราแล้วลองดูความเป็นจริงให้มากขึ้นอีกนิดข้างใต้หนังมีอะไรมีม้ามหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะยังหลงรักอยู่หรือไม่ลองนึกถึงคนที่ไม่มีหนังหุ้มตัวเราก็จะเห็นแต่เนื้อแดงแดงเส้นเลือดน้ำหนองอวัยวะต่างๆเห็นอย่างนี้ใจเรายังรักเขาได้เท่าเดิมไหมยังเห็นว่าเขาสวยว่างามอยู่หรือไม่แล้วที่ว่าเป็นเราเป็นเขานั้น ลองเอาไฟเผาดูสุดท้ายก็เหลือแค่เท่ากับฐานส่วนที่เป็นฐานถ้าเราบดให้ละเอียดรวมกับส่วนที่เป็นเท่าแล้วสลัดขึ้นฟ้าลมพัดปลิวกระจายหายไปแล้วอะไรที่เหลืออยู่คำตอบคือไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแล้วที่ว่าเรานั้นอยู่ไหนความเป็นจริงนั้นก็คือไม่มีที่ว่าเป็นเราเป็นเขาก็เท่ากัน คือที่รวมประชุมกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วใจเราก็ไปสำคัญว่านี่เป็นเรานี่เป็นเขาเมื่อพิจารณาเบื้องต้นเราก็เห็นถึงความไม่มีแก่นสารของสิ่งต่างๆภายนอกแต่มาถึงตรงนี้แล้วความไม่มีแก่นสารนั้นก็ได้มาถึงส่วนที่ว่านี้คือเรานี่คือร่างกายของเราด้วย เมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ใจที่ไปเพ่งโทษสิ่งต่างๆภายนอกที่มากระทบใจที่สงบของเราได้ด้วยและไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นเราใจจึงค่อยๆคลายไม่ยึดถือแล้วย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในเพราะเห็นไปตามความเป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเกี่ยวพันเกี่ยวข้องตั้งแต่เล็กจนโตสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นมีคุณค่าเท่ากันเป็นเพียงแค่ท่าสีเท่านั้นแล้วโฉมหน้าต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เราทุกข์นั้นก็คือใจที่มันไปสําคัญผิดจากความเป็นจริงนั่นเองเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วใจก็จะไม่ส่งออกไปอย่างที่เคย จะคอยเฝ้าดูแต่ลมและพิจารณาอยู่ภายในตัวของตัวไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามพิจารณาเห็นอยู่แต่ความที่ใจสำคัญผิดอยู่เนืองเนืองจนใจเข้าใจจริงๆว่าต้นตอหรือตัวเหตุของทุกข์ที่แท้จริงก็คือใจเรานั่นเองเมื่อเห็นดังนี้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ตัวใจใจที่ว่าเป็นเรานั้นก็ไม่ยึดถือ ไม่สำคัญมั่นหมายว่าอะไรอะไรเป็นเราเพราะมีเราอะไรที่กระทบเราเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีเรามันก็ไม่มีอะไรให้กระทบอีกต่อไปใจก็ถึงความเบาสบายถึงความไม่มีทุกข์นั่งก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขสมดังพุทธภาษิตที่ว่า ธรรมปีติสุขขังเสติวิปปสันเนนาเจตาซาแปลความว่าบุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขที่ว่าอิ่มเอิบในธรรมนั้นก็คืออิ่มเอิบในอารมณ์ของธรรมอย่างที่ได้อธิบายมาก็คือสมาธิธรรมคือการที่ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่สงบสบาย และอิ่มในปัญญาธรรมคือการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงใจได้ถอดถอนความสาคัญผิดและความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุปาทานนั่นเองใจจึงผ่องใสอยู่เป็นสุขสรุปความว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับใจว่าใจเรานั้นทำงานเกี่ยวกับอารมณ์มีอารมณ์เป็นอาหารของใจ สุขภาพใจของเราจะดีได้ใจเราก็ต้องได้รับอาหารที่ดีด้วยอาหารใจที่ดีก็ต้องทำให้ใจมีลักษณะคือสงบเยือกเย็นเบาสบายปลอดโปร่งผ่องใสและได้นาเสนอวิธีการให้อาหารกับใจคือการที่เรามาเฝ้าดูรู้ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆจนใจมีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของการหายใจ หรือจะพูดอีกอย่างก็คือมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของใจมีลมหายใจเป็นสิ่งคุ้มครองใจของเราเมื่อใจเรามีลมหายใจเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วใจเราก็ไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างๆจากนี้ไปก็จึงสามารถพิจารณาความเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราว่าสิ่งใดเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราหวั่นไหวเป็นทุกข์ พิจารณาจนเห็นถึงความเป็นจริงและละวางเหตุของทุกข์ต่างๆจนถึงละวางปฐมเหตุของทุกข์คือความไม่รู้ลงได้ใจจึงผง่องใสเบาสบายอยู่เป็นสุขก็สมดังด้วยพุทธภาษิต ท, ที่ได้ยกไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าสุดุตตสัง่งสุนิปุนังยัตถกามนิปาตินังจิตตังรักเขธเมทาวี จิตตังคุตตังสุ ข, ข่าวหั่งแปลความว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนักละเอียดนักมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ที่ได้บรรยายธรรมนี้ก็ได้ใช้เวลาไปพอสมควรก็เห็นสมควรแก่เวลาก็จึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้ เอวัง e